ออกสิ่งที่เข้ามามันดีอ่ะพาออกได้ยังไงใช่ไหมสมมตว่านักต่อต้านยาเสพติดเลยนะพวกติดยาชอบไหยไม่ชอบนะนะพระพุทธเจ้าออกจากวัตถุกรารมกิเลสกามได้หมดแล้วเนี่ยนะเพราะพวกที่ชอบวัตถุกรรมทั้งหลายก็ไม่ค่อยชอบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ก็มีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่พิเศษเลยตามก็ชอบคุณพระพุทธเจ้าก็เห็ น, น, ะ น, ะนะเนี่ยนะอวัตถุกรรมก็ไม่รังเกียจนะ นี่อะ่ะก็อาหารก็อร่อยทุกมืออางนั้นนะกินอืน่นนอนหลับสบายหมดเลยเพื่อนก็น่ารักทุกคนหมดเอ้พระพุทธเจ้าพูดก็ไม่ผิดนะเออเชื่อเชื่ อ, อนะะก็บางเวลาวนะอาย่อานั้นเยะแต่เราไม่รู้จักเยกแยะอนะนั่นก็ความปรารถนาวัตถุ ก, การมทั้งหลายและเรียกว่าอสาทะนะปรารถนาปียรูปส า, ารูปหรือปรารถนาวัตถุการมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทั้งนะ พวกคนงานข้าทาสกรรมกรการวัตถุทั้งหลายแหลอันนี้ยกพอมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าเนะนี่ยที่นาที่ไร่เนนะที่ดินเงินทองวัวมา้าบุรุษทาสก็คือคนงานทั้งหลายแหละพวกพ้องหรือเป็จากร ม, มาพูรูปเสียงเป็นรถเป็นต้นก็มีฝรั่งคนหนึ่งต้องการไปเที่ยวอวกาศมากนะนะโดยว่าแปลกนะก็วัตถุ ก, การมในมนุษย์นี่แกไม่ชอบและแกต้องการไปเที่ยวอวกาศ ก็ยอมจ่ายแปด้อยกว่าล้านเหรียญเพื่อจะไปอาวากาศไปเสพวัตถุกรามอีกอย่างหนึ่งชาวอเมริกันนันก็อันนี้ก็คือปรารถนาวัตถุกรามนะคิดดูนะโอ้โหชีวิตทุ่มเทมาทามาหากินเนี่ยนะมาทั้งสุจสจิติบ้างทุกจิติบ้างวกว่าจะรวมสตังได้เท่านี้นะเพื่อจะไปเที่ยวจักราวาลไม่กี่วันนะกลับมาเนี่ยแปดร้อยกว่าล้านเหรียญคูณสี่สิบสี่บาทเข้าไป อันนั้นก็คืออัศาธานะอัศาธาที่ปรารถนาก็ก็มีนักฝันไม่หลายคนใช่ไหมว่าบ้านปลายชีวิตจะไปเที่ยวให้มันรอบโลกเลยปรารถนาเนี่ยนี่ไม่รู้จะเอาสังขารเอากระดูกไปกระจัดกระจายไว้ประเทศไหนก็ไม่ทราบเลยนะไปกันนี่มาดูอาทีนวะบ้างนะว่าถ้าผู้ที่ปรารถนานนะกิเลสทั้งหลายชื่อว่าอภระย่อมครอบงําบุคคลผู้ปรารถนาเนืองๆซึ่งกามนั้น พอปราถนาปั๊บเนี่ยนะกิเลสก็เล่นงานแล้วเริ่มคิดอยากในสิ่งใดเนี่ยนะที่ไม่สร้างความเล่าร้อนให้มีไหมอี่ขอให้นึกชอบเถอะที่เป็นวัตถุนะเว้นไวท้ที่ที่เป็นคําสอนเนี่ยนึกชอบศรัทธาในคําสอนศรัทธาด้วยสัทตินรียเป็นด้ว น, นี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าขอให้เป็นวัตถุกามอ่ะนึกชอบขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้อ่อนแอขึ้นทันทีเลยนะเดือดร้อนเล่าร้อ น, อนไปหมดเลยมันบอกว่ากิเลสทั้งหลายชื่อว่าอาภละอัตารย์าท่านบอกว่า ครอบงมคนไม่มีพระห้าไอตัวนี้นะคำว่าอาพระในที่นี้หมายถึงว่าคนไม่มีศรัทธาเนี่ยกิเลสเล่นงานและคนไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยต้องถูกกิเลสกลุ่มรุมเล่นงานครอบงามย่ำยีละนะเพราะฉะนั้นก็แพ้ตั้งแต่ตั้งแต่นึกชอบแล้วไหมเสียหายแล้วอันตรายทั้งหลายทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏเนี่ยย่อมเบียดเบียนบุคคลผู้สแสวงหาตามนั้น มีชาติเป็นต้นเนี่ยนะย่อมติดตามบุคคลผู้ถูกอันตรายนั้นอะ่ะครอบงําไปเหมือนน้ําไหลเนี่ยเข้าไปสู่เรือที่แตก น, น, นะถ้าเป็นคําอุปมานี้ถ้าคนเป็นคนที่เล่นเรืออยู่ท้องน้ําบ่อยๆนี่จะเห็นต่อไปนิดหนึ่งว่าอันตรายเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะอันตรายปรากฏก็หมายถึงสิ่งที่เห็นเนกันอยู่นะเช่นอุบัติเหตุทั้งหลายก็ชื่อว่าอันตรายที่ปรากฏใช่ไหม การประกอบอาชีพทั้งหลายก็มีอันตรายนะถ้าถ้าสมมติว่พวกช่างไฟฟ้านะขึ้นสูงสูงเป็นยังไงเนี่ยกนะ็มีอันตรายนักก่อสร้างทั้งหลายก็มีอันตรายนะพวกคนการประกอบอาชีพณนะทุกหนทุกแห่งไม่ใช่ไม่มีอันตรายใช่ไหมยอย่างเช่นในยุคนี้ตำรวจจราจรเนี่ยประกอบอาชีพอยู่บนท้องถนนเนี่ยอันตรายไหมปอดอันตรายมากเลยนะแต่ละแห่งแต่ละแห่งนี่เป็นสถานที่ที่อันตรายมัน ไม่ค่อยมีที่ไหนที่ปลอดภัยอยู่แล้วฟังขอให้ปรารถนาวัตถุกรรมแล้วก็ถ้าสแสวงหาวัตถุกรรมเนี่ยที่นั่นอันตรายหมดเลยอันตรายเปิดเผยก็คืออย่างที่ว่านะทั้งอันตรายภายนอกทั้งโจรภัยราชภัยภัยอย่างอื่นอีกบานแล้วก็อันตรายภายในอีกนะอ่านหนังสือมากๆจ้องคอมพิวเตอร์นานๆอะไรเกิดอันตรายไหนโรคตาก็เข้ามาอีกนั่งนานๆโรคหลังก็เข้ามาอีก นะนั่งไปนานๆแล้วทาเครียดโรค ก, กับพ่ออีกเนี่ยนะนะเดี๋ยวก็สารพัดโรคอะตามมาบานหมดเลยนั่นเรียกอันตรายที่ปรากฏอันตรายที่ไม่ปรากฏก็กิเลสเนี่ยนะถ้าชอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะกิเลสมันก็จะเริ่มตามมาอีกบานนะนึกชอบวัตถุนั้นยิ่งๆขึ้นไปถ้าสิ่งที่เราชอบแล้วดูถ้าสิ่งที่เราชอบนะถ้ามีบุคคลที่ขัดขวางเราทุกคนเป็นศัตรูหมดเลยถ้าถ้าสมมติถ้าเราปรารถนาดอกไม้หนึ่งดอกนะ ใครที่ขัดขวางไม่ให้เราได้ดอกไม้ดอกนั้นเราถือว่าเป็นศัตรูหมดเพราะฉะนั้นทุกคนที่เราถือว่าเป็นศัตรูนะโทสะเกิดได้หมดเลยถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งโทสะหมดใครที่เป็นช่วยช่วยส่งเสริมให้เราได้สมอยากก็เป็นมิตรเราหมดนะมิตรเทียมนะนะก็คือใครที่จะช่วยสนองวัตถุกรรมเราเราก็พอใจนั้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยเบียดเบียนแกผู้ที่ปราถนาเนี่ยมาก อันตรายทั้งภายในอันตรายทั้งภายนอกเนี่ยนะที่เกิดจากสแสวงหาวัตถุ ก, กรรมนั้นความเร่าร้อนความเดือดร้อนในโลกเนี่ยนะก็คําว่าวัตถุ ก, กรารมตรงนี้ก็คือสแสวงหาอาหารนะถ้าเราเรียกว่าย่อๆนะเรียกว่าสแสวงหาอาหารก็ได้เพราะอาหารทั้งหลายก็คือวัตถุกรรมนันชีวิตบนท้องถนนที่เราออกไปเนี่ยนะคือการไปสแสวงหาอาหารหรือสแสวงหาวัตถุกรรมเนี่ยนะโดยมากนะมีไว้ที่ขับรถไปไปฟังอริยาศาสตร์ออกจากกาม มีถนนสายไหนม้างนะนะไม่ค่อยมา ก, ก น, นะคือคือมีแต่ว่าไม่ค่อยมากผู้ที่ไปไปมุ่งหากรรมนี่มีมากกว่ามันก็มีคนกลุ่มหนึ่งศึกษาธรรมะเพราะว่าจะได้วัตถุกรรมมากขึ้นเนี่ยนะเช่นมีกลุ่มหนึ่งนะพากันมาทําสมาธิเนี่ยนะถ้าทำสมาธิจะทําให้รวยมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทําเพื่อวัตถุกรรมอีกจนได้นั่นแหละเนะเพราะโดยมากจะไม่ให้เห็นภายใน วัตถุกรรมเนี่ยนะนั้นอันตรายทั้งหลายก็เข้ามาแล้วบานเลยกระแม้กระทั่งโดยที่สุดแม่นะัผู้ที่แสดงทำเพื่อออกจากกรรมก็ปรารถนาวัตถุกรรมในชาดกพูดถึงอะไรเอากะหับเปลียงเน่าหรืออะไรแก่นจันแดงมาแลกเปลียงเน่านะแก่นจันแดงคือธรรมะระดับอริยสัจเป็นต้นใช่ไหมเพื่อออกจากทุกข์นะเป็นเย็นออกจากทุกข์จริงๆก็เอามาแสดงเพื่อแลกกระหับปนะัะตั้งราคาไว้เลยว่างานนี้นะ จะต้องฆ่ากันเทศเท่าไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฆ่าผู้ธรรมะต้องจ่ายเท่านั้นเท่า น, นี้ก็ตั้งมูลฆ่าให้เลยอันนั้นเขาเรียกว่าก็ตั้งเอาวัตถุ ก, กรามอีกอยู่ดีเนี่ยนะเพฉะนั้นก็มีกลุ่มเหล่านั้นที่เป็นเช่นนั้นก็มีขณะพูดออกจากทุกนะก็พันไว้ในทุกจนได้เนี่ยนะก็บอกว่าหัวเนี่ยสมมติว่าตามถ้าตามลักษณะนะเขามีผู้เปรียบเทียบว่าผู้ที่หัวนี่ดูเหมือนออกจากกามแต่หางนี่พันแน่นก็นะ <c oughs> <c oughs> อ่านะว่าโอ้กามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเนี่ยนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ถวายกันเทศสักทีทนึ่งนะลักษณะเนี่ยหัวนี่ออกหมดแล้วแต่หางนี่ไม่ได้เลยนะมัดเล่นมะากนะก็อย่างนี้ยังมีเลยนะแล้วก็พูดออกจากกามก็ยังต้องการวัตถุกามเพราะฉะ น, นวัตถุกามนี่เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ธรรมดาจริงๆถ้าไม่อริยมรักที่ไปเห็นโทษของวัตถุกามจริงๆเนี่ยยากนีนะเั้นถ้าหากว่าผู้ที่ติดข้องในวัตถุกามมา ก, มากๆนะจะเดือดร้อนไปเรื่อยๆ พระเถระรูปหนึ่งก็บอกว่าผู้ใดสะสมปัจจัยสี่ไว้มากผู้นั้นสร้างศัตรูไว้มากเห็นไหมก็มีศัตรูไว้มากก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านอันนี้ท่านท่านพูดในแวทดวงของพระพิสูจน์ะคารวะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบว่าถ้ามีวัตถุ ก, กามมากนะคนมามีเมตตาต่อเราขึ้นหรือว่าคนไม่ชอบเรามากขึ้นสมมุตินะว่าโดยรวมๆนะนะถ้าเราวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเนี่ยนะเขาจะเห็นใจเราหรือว่าเขาจะบอกว่า ไม่เป็นไรแล้วไม่ค่อยมีคนเห็นใจนะค่ะแล้วยิ่งมีวัตถุการมมากๆานะคนจะขาดการุณาลงเยอะเนี่ยนะไม่ค่อยคนมีฐานะบางทีไม่ค่อยเป็นที่ตั้งแห่งกรุณาของบุคคลอื่นแต่เป็นที่ตั้งแห่งริษยาแห่งบุคคลอื่นเพราะฉนะถ้าผู้อื่นริษยาเนี่ยเขาจะเป็นมิตรกับเราไหมก็ไม่เป็นเนี่ยนะเพราะวัตถุการมทั้งหลายเนี่ยถ้าผู้ที่ไม่เห็นโทษไม่ต้องการสลัดออกนี่ยก็การมอนั้นเนี่ยทําให้เขาร้องไห้เนี่ยนะ บอกว่ากิเลสเป็นเหตุให้ร้องไห้เพราะว่าติดข้องในวัตถุ ก, การมทั้งหลายนั้นผู้ที่ติดข้องในวัตถุ ก, กรรมนี่นะอย่างถ้าติดมากๆเนี่ยโดยที่ไม่เจริญสมถาวรพิปัสนาเพื่อออกจากวัตถุการมนี่นะคนติดมากในที่สุดแม้กระทั่งฐานก็ไม่ให้วัตถุกรรมเนี่ยว่ารวมๆเนี่ยนะถ้าว่าโดยสภาวะแก่นแท้เนี่ยติดมหาพูดกันทั้งนั้นสีเสียงกลิ่นรสก็คือเป็นรูปที่อาศัยมหาพูดมันก็ติดใน มหาพูดติดมากเข้ามากเข้าเนี่ยนะก็บอกว่าพวกนี้ทานก็จะให้ไม่ได้รักษาศีลเพื่อจะสังวรมหาพูดก็ไม่ได้ฉะนั้นคนพวกนี้ก็ไม่ให้ทานนะมีในเรื่องคาถาธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่งที่ชอบใจนะว่าคนเข่าทั้งหลายสําคัญว่านั่นทรัพย์ของเราใช่ไหมนั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเรานั่นของเราไปหมดเลยตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีแต่ไหนเนี่ย เธอตัวของตัวเองจะเอาอะไรเป็นแกนสารได้บ้างเนาเอาจะเอาอะไรนะติดตามไปพบหน้าด้วยของชาตินี้เอาไหมขอผมไปชาติหน้าด้วยนะแย่ yeah, เลยนะเอาเอาเคีย่ยวไปสักเคีย่ยวหนึ่งนะไปชาติหน้าติดเที่ยวไปด้วยสักเอาเขาไม่เอาอ่ะนะเพราะฉะนั้นตนของตนในที่นี้ก็ยังไม่มีแม้แต่ความคิดขณะนี้นะอีกสักห้านาทีข้างหน้าจะคิดแบบนี้อีกไหมก็ไม่คิดมันโดยที่จิตที่เป็นกุศลก็ยัง mm. ก็ยังไม่ได้ยังย่งยืนอะไรอย่างแท้จริงเลยนะเพราะฉะนั้นก็ ผู้ขนาดนี้ก็คิดว่าคงอยากออกกันเยอะนะ